เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตจิตใจเรื่องราวที่เราจะมาฟังกันในวันนี้ธรรมะที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็เรื่องของความสุขความสุขในโลกนี้ก็มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือความสุขกายและความสุขใจ ความสุขกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวมากับกายแล้วก็ไปกับกายพอกายไม่มีความสุขกายก็ต้องหมดไปส่วนความสุขใจนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขใจก ว, ว่าความสุขกายเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ความสุขใจก็จะอยู่กับใจต่อไปและจะเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุที่ทำให้ใจได้อยู่ในสุขติได้อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเวลาที่ไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้ความสำคัญต่อการหาความสุขทางใจ ยิ่งกว่าการหาความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่ค่อนข้างจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆเต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆความสุขทางร่างกายนี้ก็คือความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่ ได้แก่ราบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะชนิดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่อาจจะมาแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้เช่นลาบก็คือเงินทองได้เงินทองมาก็มีโอกาสที่จะหมดไปได้ เมื่อไรก็ได้ได้ยศได้ตําแหน่งมาก็เหมือนกันเป็นของที่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนสรรเสริญก็คือรางวัลต่างๆรางวัลเหรีเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงรางวัลอะไรต่างๆก็เป็นของที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้และรูปเสียงกฤริยลดโพธิภพ ที่เราเสพทางตาหูจมูกนิ้นกายก็มีทั้งรูปเสียงกิดรสผุดภพที่ให้ความสุขแล้วก็มีรูปเสียงกิดรสผุดภพที่ให้ความทุกข์ซึ่งบางทีก็เลือกไม่ได้อยากจะได้แต่รูปเสียงกิดรสผุดภพที่ให้ความสุขแต่บางทีก็ต้องไปเจอกับรูปเสียงกินรสผุดภพะที่ให้ความทุกข์เช่นเสียงสรรเสริญ ทุกคนก็อยากจะได้ยินเสียงสรรเสริญ ย, ยกย่องไม่อยากจะได้ยินเสียงข้ารหานินทาตำหนติติเตียนแต่ก็บางทีก็เด็กเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจที่จะไปสามารถไปสั่งได้ว่าจะเอาแต่เสียงสรรเสริญ ย, ยกย่องโยนยอ่ยนยอเพียงอย่างเดียว บางทีก็มีทั้งสรรเสริญบ้างบางทีก็มีทั้งตำหนิติเตียนบ้างนี่แหละคือความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่สามารถพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามหรือไปบังคับมันได้เวลาที่มันจะพลิกเวลาที่มันจะเปลี่ยนไปเวลาที่มันจะหมดไปมันก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากต้องร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ <c oughs> นี่คือลักษณะของความสุขทางร่างกายที่ให้ความสุขบางเวลาบางครั้งบางช่วงแล้วก็บางครั้งบางเวลาบางช่วงก็พลิกกายเป็นความทุกข์ไปจนไปถึงวันแก่เจ็บตายพอเข้าสู่วัยชราหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยการที่จะหาความสุขเหล่านี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่ เพราะเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขคือร่างกายก็จะค่อยๆเสื่อมสมรรถภาพลงไปเรื่อยๆการที่จะหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสก็ยากขึ้นการที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญมาให้กับให้ความสุขก็ยากขึ้นเมื่อหาความสุขได้ยากขึ้นความทุกข์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตไปเวลาร่างกายตายไปลาบยศเสริญความสุขต่างๆที่ได้หามา <c oughs> ก็จะไม่สามารถเอาติดตัวไปได้จำเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว <c oughs> ตำแหน่งใจสูงใหญ่ขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้ <c oughs> รางวัลต่างๆเหรียญทองต่างๆก็เอาไปไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรดก็เอาไปไม่ได้เพราะไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายไว้เป็นเครื่องมือไว้เสกไว้สัมผัสแล้วสิ่งที่ยาวไปได้ก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรานี่ อย่าไปหลงกับความสุขทางร่างกายให้มากจนเกินไปควรขวนขวายหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะนําไปนะนําทําพาจิตใจให้ไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับ <c oughs> จนถึงความสุขที่ขั้นสูงสุดเป็นความสุขที่จะทําให้ดวงวิญญาณหรือจิตใจนี้ ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด <S an> เพื่อมาหาความสุขทางร่างกายกต่อไปถ้าตราบใดยังต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ <S <S <an> <S เมื่อเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้ว <S <S <an> <S ใจที่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ <S <S <an> <S จะไปรอรับร่างกายอันใหม่เ <S an> มื่อได้รับร่างกายอันใหม่ <S <S <an> <S ก็จะใช้ร่างกายอันใหม่นี้ เป็นเครื่องมือหาความสุขแบบเดิมเหมือนกัเหมือนกับพบก่อนชาติก่อนชาติก่อนเคยมีร่างกายก็ยใช้ร่างกายหาโลกธรรมหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่หาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรื่มเสียงกินล้แล้วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้เนื่องจากธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เป็นของที่ไม่แน่นอน เป็นของที่พลิกไปพลิกมาขึ้นขึ้นลงๆงมาแล้วไปเวลามาก็ดีใจเวลาไปก็เสียใจ <c oughs> ก็จะต้องอยู่กับความทุกข์แบบนี้ไปทุกภพทุกชาติตายไปก็จะไปแบบไม่มีอะไรติดไม่มีความสุขอะไรติดตัวไปด้วยถ้าไม่ได้มาหาความสุขทางใจกันและบางครั้งอาจจะ เอาความทุกข์ทางใจไปแทนที่จะเอาความสุขทางใจไปพราะในขณะที่ต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆนี้บางครั้งบางเวลาถ้าไม่สามารถที่จะหามาได้ด้วยวิธีสุจริตก็คือก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตก็คือไปทำบาป ไปทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีไปพูดปดไปดื่มของมึนเมาเพื่อที่จะได้หาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่จากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสและการหาความสุขในรูปแบบนี้ก็เป็นการหาความสุขทางกายแล้วก็หาความทุกข์ทางใจควบคู่ไปด้วย เพราะการกระทำบาปนี้เป็นเหมือนไฟที่จะมาเผาใจให้มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวต่างๆความทุกข์อันนี้แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาคนทำบาปร่างกายตายไปแต่ผลของบาปนี่มันติดอยู่ในใจคือไฟความร้อนความทุกข์ใจมันติดไปด้วย ถ้ามีความรอ้อนมีความทุกข์ใจพาไปโยงวิญญาณก็จะต้องไปอยู่ในอบายทั้งสี่อบายสี่มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันก็คือเดรฉานเปรตอสุรกายและก็นรกอันนี้เป็นผลที่ตามมาจากการที่ไปหาความสุขทางร่างกายด้วยวิธีทำบาปต่างๆ บางทีก็ทําบาปด้วยการโกหกหลอกลวงบางทีก็ทําบาปด้วยการช่อกลุ่นช่อกลวงลักทรัพย์บางครั้งก็ทําบาปด้วยการประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้บางครั้งก็ไปถึงกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิ ต, ตการกระทําบาปล่านี้เพื่อหาความสุขทางร่างกายนี้มันได้ไม่คุ้มเสีย ได้ความสุขทางร่างกายเป็นความสุขแบบชั่วคราวแต่ได้ความทุกข์ทางใจที่เป็นความความทุกข์ที่ยาวนานเพราะหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขที่ได้จากทางร่างกายหมดไปแล้วใจนี้ยังจะต้องไปชดใช้กรรมต่อไปไปเกิดนอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความกลัวไปเป็นไปนรกถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นโกรธเกียดตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้ก็คือที่ไปของดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปต่างๆในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่แสวงหาความสุขผ่านทางร่างกาย อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะท่านเห็นจากการปฏิบัติท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำให้ทำทำให้ดวง ตาในของท่านเปิดขึ้นตาพวกเรานี่มีอยู่สองตาตานอกและตานายตานอกก็คือตาทางร่างกายตาที่เราเห็นรูปที่เราเห็นรูปชนิดต่างๆเห็นสีต่างๆเห็นร่างเห็นอะไรต่างๆนี่เรียกว่าตานอกส่วนตานายนี่เป็นเรื่องของการเห็นดวงวิญญาณต่างๆดวงวิญญาณของตนเองดวงวิญญาณของผู้ แล้วก็สภาพของดวงวิญญาณชนิดต่างๆอันนี้คือเรื่องของตาในผู้ที่จะเห็นตาในได้นี้ต้องมีการศึกษาและมีการปฏิบัติจิตภาวนา mm hmm. การปฏิบัติธรรมเรียกว่าจิตภาวนาคือการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาจะทำให้มีดวงจะทาให้ตาในที่ถูกปิดมืดบด มิจฉิตในขณะนี้เปิดขึ้นมาตอนนี้ตาในของพวกเรานี้ถูกถูกความหลงโมหะอาวิชชา <c oughs> ปิดกั้นเอาไว้ <c oughs> ปิดตาไว้ทำให้เราไม่เห็นใจทำให้เราไม่เห็นดวงวิญญาณ <c oughs> ที่เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วใจนี้ที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณแล้วจะเป็นใจที่จะไปเป็นสัตว์ชนิดต่าง ถ้าทำบาปก็จะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นต้นถ้าทำบุญก็จะไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้จะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วก็อาจจะทำให้ <c oughs> ไม่เชื่อก็ได้ว่าคิดว่า ชีวิตของเรานี้มีเพียงส่วนเดียวก็คือมีร่างกายเท่านั้นเองเมื่อร่างกายตายไปแล้วชีวิตของเราก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรตามมาต่อไปจะทำบาปมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีใครมาจับไปลงโทษได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะทำบุญมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีใครมาให้รางวีรางวัลม่ให้ผลมาให้ความสุข อันนี้เป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะไปคิดว่ามีเพียงชีวิตของเรานี้มีเพียงร่างกายเป็นเป็นเป็นเพียงส่วนเดียวเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็จบผลของบุญผลของบาปก็จบที่ตรงที่ความตายก็เราจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอันเท่าไหร่จะเชื่อแต่เรื่องการหาเงินหาทอง เพราะเงินทองนี้เป็นของที่สามารถเนรมิตสิ่งต่างๆที่อยากจะได้แต่เป็นของที่มันเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่คุกเข้าไปกับความทุกข์เพราะความไม่แน่นอนของความสุขเหล่านี้ก็จะคอยก็จะอยู่กับความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ที่มีอยู่ ว่าทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองยศตำแหน่งอะไรต่างๆจะมีจะมีอยู่ไปเรื่อยๆหรือเปล่านี่มีจะมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ยังติดคุกติดตารางได้อันนี้มันเป็นอุทาหรณ์ทำให้ผู้ที่แสวงหาความสุขทางร่างกายนี้จะต้องมีเรื่องวิตกมีเรื่องกังวลอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องวิตกกังวลอาจจะไม่วิตกกังวลกับเรื่องทรัพ์สมบัติเท่าไหร่เพราะมีมากมายแต่ก็ยังต้องไปวิตกกังวลกับเรื่องอื่นเรื่องของร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะเป็นโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้จะเป็นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ทรัพสมบัติมีกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะมาห้าม โครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้เมื่อถึงเวลามันจะเกิดมันก็เกิดนี่แหละคือลักษณะของความสุขทางร่างกายมันเป็นความสุขที่คุกเท่าไปด้วยกับความทุกข์ความวิตกความกังวลความหวาดตลัวต่างๆแล้วก็แล้วก็เป็นความสุขที่ชั่วข่าวเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแนมะ้แต่บาทเดียว หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่นี้ก็ตกเป็นของคนอื่นไปหมด mm hmm. เพราะตัวเองเอาไปไม่ได้ตัวเองก็คือใจใจที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปหาความสุขทางกายนี้ <c oughs> จะไม่สามารถเอาความสุขทางร่างกายติดไปกับใจได้แต่สิ่งที่จะสามารถเอาติดไปกับใจได้ก็คือความสุขที่ ที่เรียกว่าเป็นความสุขของใจความสุขของใจนี้ทำอย่างไรถึงทำให้เกิดความสุขของใจขึ้นมาได้ความสุขของใจนี้ก็เกิดจากการทำความดีต่างๆเป็นการขัดเกลีวจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบระ ง, งับ<ม>ให้ระ ง, งับจากละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ถ้ามีการกระทาที่ทำให้เกิดการระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปใจก็จะเริ่มมีความสงบมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ถ้าสามารถทำไปเรื่อยๆขัดเกลีจิตใจไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอาจจะสามารถทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปทิกับจากจิตใจได้ใจก็จะมีแต่ความสุขที่เป็นบรมมะสุขเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นแหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้สามารถเข้าถึงได้ด้วยการกระทำความดีที่เราเรียกว่าการทาบุญต่างๆ บุญต่างๆนี้จะเป็นเครื่องขัดเกาจิตใจเครื่องระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปให้น้อยลงไปและให้หมดไปได้แล้วก็เวลาที่ร่างกายตายไปความสุขเหล่านี้จะไปกับใจความสุขเหล่านี้จะทาให้ใจได้ไปเกิดในระดับ ในสุกติชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นต่างๆซึ่งมีสามชั้นด้วยกันสสามชั้นใหญ่ๆคือชั้นเทพชั้นพรหมแล้วก็ชั้นอริยบุคคลชั้นภาษาวกของชั้นของพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการขัดเกลาจิตใจด้วยการทำความดีต่างๆที่เราเรียกว่าการทำบุญต่างๆบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันทากันนี้ ก็มีแสดงไว้ในในพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องบุญญากริยาวัตถุสิบประการโ<ม>ดยการทำบุญขัดเกลวจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้น<ม>ด้วยสิบวิธีด้วยกัน<ม>ก็แบ่งเป็นเป็นสามระดับด้วยกันวิธีที่เกี่ยวกับการให้ ให้ความสุขแก่ผู้อื่นที่เราเรียกว่าทานแล้ววิธีที่ระ ง, งับการก่อเหตุสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อืน่นเราก็เรียกว่าสิงแล้วก็วิธีที่ทําให้ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดโดยสุดเราก็เรียกว่าภาวนานี่คือการทําบุญชนิดต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํำ เช่นระดับทานนี้ก็มีตั้งแต่หนึ่งก็คือการทำบุญการให้ทานทานแปลว่าการให้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นเรามีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ที่เก็บไว้เราก็ไม่ได้เอามาใช้เวลาตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาเงินทองข้าวของเหล่านี้มาแปลงเป็นบุญดีกว่า พราะบุญนี้เอาไปกับใจได้บุญก็คือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองให้แก่ผู้ช่วยผู้ให้เขามีความสุขบ้างช่วยบรรเทาวความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้เวลาที่เราได้ทำบุญแล้วถ้าเราสังเกต ด, ดูที่ใจเราใจของเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเบาใจสบายใจ ปลื้มใจบางครั้งบางครั้งก็อาจจะถึงกับน้ําตาไหลก็มีถ้าเราได้ทําบุญที่ถูกใจของเราอันนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทําทานแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญที่เราทําได้ด้วยให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี้ <S <S 1> <S 1> เขาก็มีบางผู้ <S <S บางท่านอาจจะรอรับส่วนบุญอยู่ก็ได้ เพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาอาจจะประมาทหรือเขาอาจจะไม่รู้เรื่องของบุญหรือไม่เชื่อเรื่องของบุญก็เลยไม่ได้ทำบุญพอเวลาตายไปก็เลยไม่มีความสุขทางใจติดตัวไปก็คือไม่มีบุญเนี่ยคำว่าบุญนี้ก็คือความสุขทางใจก็จะไม่มีบุญติดตัวไปใจก็จะอยู่อย่างหิวโหยอยู่อย่างอัตคัดขัดสนอยู่อย่างยากลาบากเหมือนขอทานอยู่แบบขอทาน ดวงวิญญาณที่เป็นขอทานนี้ก็จะมาขอรับส่วนบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่เวลาที่เขาทำบุญกันเวลาทำบุญเราก็สามารถอุทิศบุญไปให้กับบุคคลต่างๆที่ร่วงลับไปแล้วได้โดยเฉพาะบุคคลที่เราต้องการจ ะ, ะเราลักเราเคารพเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้ที่มีอุปรอุปการะคุณทั้งหลาย อยากต้องการที่จะให้เขาอยู่ในสุขติช่วยส่งให้เขาได้ไปสู่สุขติเราก็สามารถที่จะ อ, อุทิศบุญไปได้นี่เรียกว่าบุญอุทิศการทําบุญนี้สําหรับคนตายนี้เราไม่สามารถให้เข้าของเงินทองเขาได้เราก็ต้องให้บุญแทนเราทําบุญให้คนเป็นเนี่ยนะเราเอาข้าวของเงินทองนี้ไปให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยาก คนยากจนคนขอทานเราก็ให้ความสุขกับเขาแล้วเวลาที่เราให้ความสุขกับเขามันก็ทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเกิดเป็นบุญขึ้นมาเราก็สามารถแบ่งความสุขใจอิ่มใจนี้ไปให้กับดวงวิญญาณที่เป็นขอทานได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นการการสร้างความสุขใจขั้นอย่างที่สองอย่างที่หนึ่งก็ทาทาน อย่างที่สองก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแล้วก็อย่างที่สามที่เราจะทำให้ใจเรามีความสุขและทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือการได้รับใช้ช่วยเหลือผู้อืน่นรับใช้สังคมอย่างวันนี้ก็มีพ่อแม่เอาเด็กคนหนึ่งมาฝากให้มาเดินช่วยพระถ่ายบาทพระเดินบินทบาทพระก็ต้องมีข้าวของบางทีหิวไม่ไหว ก็ให้ให้ลูกมาช่วยขนของไปให้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้สังคมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมอย่าไปเป็นจิตอาสาก็ได้ไปทำงานอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์เวลาที่มีเหตุต้องการความช่วยเหลือกันเวลามีไฟไฟไหม้น้าท่วมต้องช่วยเหลือกันขนข้าวขนของไปแจกไปจ่าย ก็อาจจะไปเป็นอาสาสมัครถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญทาทานแต่เรามีเวลาว่างเราก็สามารถใช้เวลาว่างของเรานี้ไปให้กับการ <c oughs> ไปเป็นการไปช่วยเหลือผู้อื่นไปรับใช้ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขใจขึ้นมาอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นแบบที่สามที่อยู่ในกลุ่มของทานอยู่การช่วยเหลือให้ ก็ให้กับผู้อื่นอันที่สี่ก็คือเรื่องอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญก็คือเราเวลาใครเขาทําบุญทําความดีเราถ้าเราลบถ้าเรารู้เราเห็นหรือเกี่ยวกับเราเราก็ควรที่จะยินดีสนับสนุนเขาอย่าไปขัดขวางเขาอย่าไปกีดกั้นการทําบุญของเขาเช่นถ้าเรามีอ คนงานที่ทำงานกับเราแล้วเขาอยากจะขอลาไปบวชเราก็อนุโมทนายินดีให้เขาไปบวชไม่ต้องลาออกจากงานไปบวชแล้วก็เสร็จแล้วค่อยกลับมาค่อยมาทำงานต่อหรือถ้าถ้าอยากจะได้บุญมากกว่านั้นก็อาจจะให้เงินเดือนเขาโดยที่ไม่ตัดเงินเดือนเขาช่วงที่เขาลาไปบวชอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนให้คนได้ทาความดีได้ทาบุญนั่นเอง อย่าไปขัดขวางเวลาคนเขาจะไปทำความดีเคยมีข่าวว่ามีคนอยากจะลางานไปทำบุญงานศพของแม่หรือไงทางบริษัทบอกถ้าไปก็ต้องลาออกอย่างนี้เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญไม่สนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสได้ไปทำบุญใจจืดใจดำคิดแต่เอาแต่ประโยชน์ของตนอย่างเดียวไม่คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้างเขาทางานให้เราเขาช่วยเหลือเรารับใช้เรา หาเงินหาทองให้กับเราพอเวลาเขามีเหตุเดือดร้อนที่เขาจะต้องลาไปทํา <c oughs> ทํากิจบางอย่างเราถ้าเห็นว่าเป็นกิจที่ดีเป็นการไปงานศพไปการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาอันนี้เป็นการกระทําความดีเราก็ควรที่จะอนุโมทนาอนุโมทนาก็คือต้องต้องมีการกระทําที่ทําให้ เราเสียสละบางสิ่งบางอย่างไปไม่ใช่อนุโมทนาด้วยปากเฉยๆอันนี้อนุโมทนามันต้องอนุโมทนาด้วยการกระทาที่เราอาจจะต้องเสียอะไรไปบ้างบางอย่างเสียผลประโยชน์เช่นเขาอาจจะลาไปลางานไปไม่สามารถทำให้เราเสียคนงานไปค น, นอย่างนี้แต่เราก็ยินดีที่ว่าเพื่อให้เขาได้ไปทำคุณทำประโยชน์ได้ทำบุญ แล้วก็อนุโมทน า, อ น, นาอนุญาตให้เขาไปทำโดยที่ไม่ตัดเงินเดือนเขาหรือว่าจะจะตัดก็ได้อันนี้ก็ไม่จ่ายก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนแต่อย่างน้อยก็อนุญาตให้ให้เขาลางานไปไปทำกิจที่เขาต้องทำก็ได้ให้ได้เสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานต่อบางแห่งนี้ไม่ไม่ต้องการให้คนงานลางานต้องให้มาทำงานตามเวลา เพราะเวลาเขาลาไปก็จะทําให้ขาดขาดคนแล้วจะทําให้ขาดผลประโยชน์ก็เลยไม่อยากจะให้ลางานกัน <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นคนที่เห็นความสําคัญของการาทำสร้างความสุขใจทําบุญเราก็ยินดีให้เข้าไปอนุมโมทนาแล้วเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจเอ่นใจที่เราได้สนับสนุนได้ ได้ส่งเสริมให้เขาได้ไปทำทากิจที่เขาอยากจะทำกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเรียกว่าร่วมอนุโมทนาบุญไปกับเขาอันนี้คือการอนุโมทนาบุญไม่ใช่บางคนคิดว่า อ, อ๋อไปทำบุญมาแล้วก็กลับมาบอกคนนั้นคนนี้ว่าไปทาบุญมาแล้วเขาบอกสาธุสารุนรคาอนุโมทนาอันนี้มันไม่ได้อนุโมทนาอะไรมันอนุโมทนาแต่ปากเฉยๆเท่านั้นใครๆก็พูดได้ สาธุสาธุแต่ความรู้สึกสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการอนุทนาเนี่ยมันไม่เกิดเพราะมันไม่เข้าเนื้อของเราแต่ถ้ามันเข้าเนื้อของเราแล้วเรายินดีศีสละเนี่ยเช่นบางทีแ ฟ, แฟนเราเขาไปทําบุญแล้วเขาเอาเงินส่วนหนึ่งที่เป็นของเราไปทําบุญด้วย <S <S วเพราะ ท, ทําเสร็จเขากลับมาบอกว่าเอาเนวันนี้ไปทําบุญนะเอาเงินส่วนนี้ของคุณไปด้วย ถ้าเราอนุโมทนาเราว่าโอ้สาธุสาธุยินดีอย่ถ้าเราไม่อนุโมทนาอาจจะด่าเขาทำเอาเงินของฉันไปทําบุญอย่างนี้ก็จะไม่ได้บุญอนี่คือความหมายของการอนุโมทนาบุญให้เราสนับสนุนช่วยเหลื อ, อสนับสนุนไม่กีดขวางการกระทําบุญของผู้อื่นถึงแม้ว่าอาจจะทําให้เราเสียผลประโยชน์ไปบ้าง เราก็ยินดีเหมือนกับถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอีกอย่างหนึง่งนี่ก็คือเรื่องของของการขัดเกาวจิตใจคือความตนันหนีความเห็นแก่ตัวความโลภความอยากได้เงินมากๆนี่ให้มันเบาบางลงพอเราขัดเกาว่าตัวโลภตัวนี้ได้ไอตัวตันหนีได้นี่มันจะทำให้ใจเราเบาขึ้นทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นทำให้ใจเราลดความเห็นแก่ตัวลงไป ความเห็นแก่ตัวนี่มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราจิตใจเราค่อนข้างที่จะโหดร้ายทารุณไลน่น้ําจิตน้ําใจเพราะจะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราลดละความเห็นแก่ตัวลงไปได้เนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเบาขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นโล่งขึ้นกว้างขึ้นใจไม่แคบใจไม่ติดตันใจกว้างใจเย็นใจสุขใจสบาย ด้วยการที่เราลดละอัตราตัวตนความเห็นแก่ตัวอีกวิธีหนึ่งที่เราจะลดละความเห็นแก่ตัวก็คือการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปถือตัวอย่าไปอวดเก่งอวดดีอวดใหญ่อวดโตอย่าทำไม่ทําตัวให้เป็นเหมือนกับเป็นใครแตะไม่ได้ควยมาลดละอัตราตัวตนด้วยการทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ถทำตนไม่ไม่ถือตัวลดตัวลงให้ต่ําที่สุดอยู่กับใครพบกับใครก็ยกให้เขาเป็นใหญ่เราไม่เป็นใหญ่ไปกับเขาเราเป็นผู้น้อยสบายใจกว่าไม่ต้องไปมีการไปแข่งขันกันไม่ต้องไปมีการไปอวดเก่งอวดดีแข่งกันเขาจะอวดเก่งอวดดีก็ไปเรื่องของเขาไปแต่เราจะอ่อนน้อมถทำตน ทำตัวเองให้บะให้ต่ำครูเจ้าสอนให้เราหัดทำตัวเป็นเหมือนปัตภพีทำตัวเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเราไม่สนใจเราต้องการความสุขใจความสบายใจแต่ถ้าเราถือตัวมีอัตตาตัวตนถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอใครเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่หวังอะไรจากใครใครจะให้เกียรติเราหรือไม่ใครเขาจะยกย่องเราหรือไม่เราไม่สนใจเราพอใจกับการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขใจอีกวิธนีนี่ก็คือความสุขใจในระดับของการให้การแบ่งปันการช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับผูเ้เราก็สามารถที่จะทำ ทำสิ่งเหล่านี้ได้ทำทาน อ, น, ททา น, อ, อนุโมธทานอุทิศบุญอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้รับใช้ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นการการทาที่จะทำให้เราเกิดความสุขใจสบายใจเย็นใจและความสุขใจสบายใจ น, นี้ที่จะพาให้เราไปสวรรค์ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วบุญอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำกันเพื่อป้องกันไม่ให้เรา ไปตกต่ำไปสัวบายก็คือการรักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลนี้ใจเราจะวุ่นวายใจเราจะทุกข์เวลาเราทำบาปแล้วนิจใจเราจะรู้สึกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีใจรุ่มร้อนใจวิตกใจกังวลใจหวาดกลัวกับผลที่ที่เกิดจากการทำบาปจะตามมาในภายหลัง ถ้าเราต้องการที่จะทำให้ใจเราไม่ร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายจากการกระทาบาปเราก็ต้องถือศีล ร, รักษาศีลกันศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาหรือเสพอบายามุขอื่นๆเชน่นเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเป็นต้นเพราะการกระทำเหล่านี้จะพาให้เราไปกระทำบาปในลำดับต่อไป ถ้าเราไม่เสบบะบายยมุกโอกาสที่จะไปทำบาปก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราเสบบะบายยมุกแล้วมันจะทำให้การทำบาปนี้ง่ายขึ้นเช่นเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วพอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เวลามีอารมณ์ไม่ดีคิดไม่ดีก็อาจจะพูดไม่ดีทำไม่ดีไปทำให้ผู้่นเข้าเสียหายเดือดร้อนต่อไป แต่ถ้าเวลาไม่ได้ดื่มสุราอยามเมานี้จะมีสติสัมปชัญญะที่จะคอยยับยั้งความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ให้ลามออกไปทางกายทางวาจาได้รักษาศีลได้นี้ก็จะทำให้มีความอิ่มใจมั่นใจสุขใจแล้วความสุขใจนี้มั่นใจนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายถ้าเราไม่ทำบาสนี้รับประกันได้ว่าตายไป ดวงวิญญาณของเรานี้จะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นนสุ ร, รกายไม่ไปตกนรกอย่างแน่นอนอนนี้ก็เป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึง่งที่เรียกว่าเรื่องการ <c oughs> รักษาศีลแล้วพอเราป้องกันปิดอบายได้ทําบุญทําทานได้ใจเราก็จะขึ้นสู่ระดับของของสวรรค์ชั้นเทพได้ ไปเราก็จะไปสู่สุคติไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าขั้นของเทวดาก็มีขั้นของพรหมและขั้นของพระอริยเจ้าก็มีสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าการภาวนาภาวนานี่ก็คือเป็นการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นแรกเรียกว่าสมถาภาวนาคือทำใจให้สงบ ขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดให้รู้จากวิธีกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้เป็นเป็นบุญขั้นสูงสุดถ้าอยากจะได้อยากจะไปสู่ความสุขขั้นสูงสุดไปสู่พระนิพพานไปสู่มรรคผลขั้นต่างๆก็ต้องเป็นจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติจิตภาวนา และการที่จะปฏิบัติจิตธรรมนาด้นนี้ก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าให้ขึ้นไปเป็นศีลแปเพราะว่าผู้ที่จะขึ้นไปสูงกว่าขั้นเทพด้นี้จะต้องสละความสุขของเทพไปสละความสุขของเทพของมนุษย์ก็คือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาไปหาความสุข ที่เกิดจากการเจริญสมถะ ภ, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นเองเบื mm ้อ hmm. งต้นก็ทาใจให้สงบขัดเกลากิเลสให้ให้สงบตัวลงด้วยการเจริญสติ mm hmm. นั่งสมาธิ mm hmm. ถ้ามีสติสตินี้จะคอยควบคุมความคิดต่างๆที่มีกิเลสตัณหาความโลกความโกรธความหลงเป็นตัวคอยผลักดัน ให้คิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ไปสร้างความวุ่นวายให้กับใจทำลายความสุขความสงบของใจไปก็ต้องใช้การเจริญสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดได้ความโลภความโกรธความหลงที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็จะต้องสงบตัวลงไปด้วยเวลาเวลาหยุดคิดใจก็จะสงบ ความโความโกรธความหลงก็จะต้องสงบตามเวลาความโลภความความโกรธความหลงสงบตามหลงใจก็จะนิ่งเย็นสบายใจก็จะเกิดความสุขใจขึ้นซึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดมากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติบาังสุขขังสุขอื่นไม่มีไม่มีสุขใดที่จะเสนอที่จะ ที่จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนีนะ่ที่ท่านเรียกว่าลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงคือลดของความสงบของใจที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบรวมรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคัตตาลมสัตวารู้ตั้งอยู่ในอุเบกขาละงับจากความรักชังกลัวหลงแล้วตอนนั้นใจก็จะมีความสุขมากที่สุดตั้ง ในระดับของความสุขทั้งหลายความสุขทางโลกคือความสุขทางลาบยศสรเสริญทวามสุขทางรูปเสียงจิตรสนี้ต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามนี้จะไม่สามารถสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้ <Yeah. S 1> แต่การที่เราจะไปภาวนาได้นี้เราจะต้องมีเวลามีเวลาเราก็ต้องระ ง, งับกิจกรรมต่างๆ การระงับกิจกรรมเราก็ต้องถือสีแปดกันแล้วก็ต้องรอวันที่เราไม่ต้องมีภารกิจการงานด้วยเพราะที่การจะมาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้จะต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเพราะถ้ายังมีภารกิจอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องนี้จะทำให้การภาวนานี้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ได้ผลได้ยากเพราะมันมันจะต้อง วิ่งไปวิ่งมาระหว่างทำภารกิจกับการมาทำใจให้สงบซึ่งมันเป็นการวิ่งสวนทางกันเวลาไปทำงานไปทาภารกิจก็ต้องใช้ความคิดทำให้จิตใจต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเวลามาทำใจให้สงบก็เป็นเวลาที่เราต้องการจะทาใจให้นิ่งให้สงบแตนถ้าปล่อยให้ใจยังต้องไปวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการต่างๆนี้เวลาจะมาทาใจให้สงบนี้มันจะยากแสนยาก จนแทบจะทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาฝึกจิตภาวมนานี้จำเป็นต้องหาเวลาที่ไม่ต้องมีไม่ต้องไปทำงานทำการต่างๆมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นไรมีเวลามากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรญเวลาเริ่มต้นเราก็ต้องพยายามหาเวลาแบ่งเวลาจากการทำงานมาให้กับการภาวนานกันเช่นวันหยุดทำงานนี้เราก็ แทนที่จะเอาวันหยุดทำงานนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมกายเราก็เอาเวลาวันหยุดทางานนี้ไปหาความสุขจากการภาวนากันจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการถือศีลแปดศีลแปดนี้ก็เป็นการระ ง, งับห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางทางกายนั่นเองศีลข้อสามก็เปลี่ยนเป็นจากอาบัมจากจากกามเมมาเป็นอร ม, มาจริยา การเมย์ก็เคยจะไม่ร่วมหลับนอนจะไม่ประพฤติผิดประเพณีจะร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาเพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามาถือศีลแปดนี้ก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยตัดกิจกรรมทางเพศไปทางกามารมณ์ไปทางตาหูจมูกนิ้นกายไปแล้วก็ระงับการกินอาหารมากร ะ, ะงับการกินอาหารเพื่อความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วประทานได้เพื่อเลี้ยงดูร่างกาย รับประทานเพียงครัง้งสองครั้งก็พอและไม่เกินเที่ยงวันอย่างนี้รับประทานแบบรับประทานยากินยาเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่เอาอาหารที่มากินนี้มาดับความหิวป้องกันความหิวแล้วก็เลี้ยงดูให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแต่ไม่ให้ใช้การกินนี้เป็นการหาความสุขกินแบบไม่รู้จักหยุดจากย่อนกินไม่รู้กี่มือ้ออย่างนี้เรียกว่ากินเพื่อกามกินเพื่อกิเลส เราต้องการระ ง, งับการกินเพื่อกิเลสลงก็เลยต้องถือศีลข้อหกนี้ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วมันก็จะช่วยให้เรามีเวลาที่จะมาฝึกจิตภาวนาได้และจะช่วยกําจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาเหง า, หานอนความเกียดคานเพราะถ้าเรากินอาหารมากๆนี้มันจะง่วงนอนมันจะขี้เกียจเวลานั่งสมาธิมันจะสับประงกอยงถ้าเราถ้าเราไม่กินอาหารมากจนเกินไป หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอเสร็จมื้อเที่ยงไปแล้วสักสองสามชั่วโมงก็จะไม่ง่วงนะเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้อย่างสบายแต่ถ้ารอไปกินอาหารเย็นอีกนี่เดี๋ยวกาจะได้นั่งสมาธิก็ถึงเวลาจะนอนแล้วก็ง่วงนอนอีกดงั้นผู้ที่ต้องการจะเจริญจิตตภาวนาก็ต้องถือศีลข้อหกนี้ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว แล้วข้อเจก็คือไม่หาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆอะไรในทำนองนี้แล้วก็ไม่เสริงสวยความงามทางร่างกายเพราะจะเป็นการเสียเวลาต้องคอยมาหาชุดใสมาหามาแต่งหน้าตาปากทำทำผมทำอะไรต่างๆ ให้แต่งกายแบบเรียบง่ายอ่าน้ำหลับท่าชอบพอกชอบพอกด้วยสบู่ก็พอเสร็จแล้วก็หวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยใส่ชุดเสื้อผ้าแบบสบายตามวัดเขาจะให้ใส่ชุดขาวกันไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการเสริมสวยความงามเพราะเราไม่ต้องการหาความสุขทางนี้เราต้องการหาความสุขจากการไปภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่นเอง <c oughs> เราก็ต้องถือศีลขอ้อนี้และข้อ สุดท้ายข้อ8ก็คือเราจะไม่นอนมากเกินไปวิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็คือไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงฟูกหนาๆที่สุขที่สบายเพราะถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนี่มันจะนอนมากเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจยังไม่อยากจะลุกใจอยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบายงั้นให้นอนแบบไม่สุขไม่สบายก็คือให้นอนบนพื้นแข็ง นอนกับพื้นเสียงที่ไม่มีฟูกอย่างนี้หรือนอนกับพื้นพื้นเลยก็ได้ปูด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พอถ้านอนแบบนี้เวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะได้ไม่เอาเวลาที่จะไปนอนนี้มาให้กับการภาวนาเพราะการภาวนานี้จะได้ผลดีไม่รู้ไม่ผลดีนี้อยู่ที่เวลาว่าเรามีเวลามากมีเวลาน้อย เหมือนกับเครื่องบินเครื่องบินจะขึ้นจากพื้นดินได้ก็ต้องอาศัยระยะทางวิ่งทางรันเว่ยว่ามันสั้นหรือยาวนะถ้าลันเวย์สั้นๆนี้วิ่งไปเดี๋ยวพอสุดรันเว่ยก็ขึ้นไม่กําลังส่งไม่พอก็ขึ้นลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ได้นะงั้นรันเว่ยนี้จะต้องยาวเครื่องบินถึงจะสามารถ วิ่งแล้วก็บินขึ้นจากพื้นดินไปได้ัต่ในเวลาของการภาวนาของเวลาการเจริญสติก็ต้องมีมากมีทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยดีที่สุดถ้าเราสามารถมีเวลาพอลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มเลยเริ่มภาวนาด้วยด้วยการเจริญสติเหมือนจะใช้คำบาลีคำพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือจะใช้หรือจะใช้ร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกาย ถูกใจให้ติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นร่างกายกำลังยืนกำลังเดินกาลังไปทำงานทำความสะอาดล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนะก็ให้มีสติอยู่กับร่างกายไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆนี่ถ้าเราไม่มีการเจริญสตินี้พอลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดแล้ว คิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่จะไปไหนไปทำอะไรกับใครแล้วคิดถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปทาอะไรมามันจะคิดอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดถ้าเราไม่มีการหยุดไม่มีการใช้สติยับยั้งมันถ้าเราไม่มีสติยับยัง้งความคิดเวลานั่งสมาธินี้ต่อให้นั่งไปจนวันตายใจก็จะไม่มีวันสงบ นั่งไปมันก็จะคิดไปคิดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านแล้วบางทีพอมันฟุ้งก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะจะเริ่มรู้สึกอึดอัดบ้างรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้บ้างไม่มีความสุขในการนั่งเพราะไม่สามารถควบคุมความคิดไวได้เองแต่ถ้าเราฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งเนี่ยคอยควบคุมไม่ให้มันคิดอะไรให้มันรู้เฉยๆให้มันรู้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไร กำลังล้างหน้าเราก็อยู่กับการล้างหน้ากำลังแปลงฟันแล้วก็อยู่การแปลงฟันให้มีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอถึงเวลาเราจะมานั่งสมาธิเราก็ให้มันรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ถ้าเราใช้ร่างกายเวลานั่งสมาธิเราก็มาใช้การดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆเหมือนกับตอนที่เราฝึกสติ ด, ดูร่างกายว่ากาลังทาอะไร ก็เพื่อไม่ให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราคอยเฝ้าดูลมหายใจมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกรู้ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกรู้ตรงลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกก็อพอ รู้เท่านี้ลมจะหยาบลมจะละเอียดจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพียงแต่ให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเราทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสุขจะสบายจะเกิดอุเบกขาความรักชังกลัวหลงนี้จะหายไปใจจะรู้สึกเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่าง เวลาสัมผัสรับรู้อะไรก็จะเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับสิ่งต่างๆนี่คือผลที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิในเบื้องต้นเพราะถ้าเราทําใจให้สงบได้นี้เราจะระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเช่นความรักความชังนี้ก็เป็นความโลภความโกรธเนความหลงแล้วก็ความกลัวก็เป็นความหลงสิ่งเหล่านี้เราถ้าเราใช้สติขอยยับยั้งความคิดได้ ใจก็จะนิ่งใจจะสงบใจจะเย็นแล้วใจจะเป็นใจที่มีพลังที่จะไม่หวาดกลัวกับอะไรที่จะไม่รักไม่ชังอะไรแต่มันจะสงบจะเป็นแบบนี้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองในขณะที่อยู่ในสมาธิพอเลิกนั่งสมาธิพอถอนออกจากสมาธิมาความสงบที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยๆจางหายไปอุเบคขาที่มีอยู่ก็จะค่อยๆจางหายไป หมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเอาน้ําเย็นออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็จะเย็นอยู่สักระยะหนึ่งแล้วต่อไปไม่นานความเย็นมันก็จะค่อยๆจางหายไปจางหายไปหมดไปอใจก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาพอใจเริ่มร้อนแล้วเราก็ต้องเอากลับเข้าตู้เย็นใหม่เราก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่เพื่อรักษาความเย็นของใจเพราะเวลาใจเย็นนี้ใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เดือดร้อนกับอะไร ใครจะชมใครจะด่าก็จะรู้สึกเฉยๆไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่ถ้าเรารู้ว่าใจเราเริ่มมีความเดือดร้อนกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้เราก็ต้องเข้าไปในสมาธิทำใจให้เย็นใหม่นี่คือในระดับของสมาธิในเบื้องตน้นถ้าเรายังไม่ชำนาญการเข้าออกในสมาธิเรายังไม่ชำนาญในการใช้สมาธิเป็นเครื่องดับความทุกข์ร้อนของใจ เราก็ต้องหมั่นพยายามฝึกสติฝึกสมาธิไปเอาจากสมาธิมาเราก็มาฝึกสติต่อมาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อหรือมาบริกรรมพุทโธพุทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้หยุดความคิดตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราพอใจเราเริ่มคิดก็ต้องใช้สติหยุดมันแล้พอเรามีเวลาว่างเราก็กลับเข้าไปนั่งในสมาธิใหม่ ทำอย่างนี้สลับกันไปเข้าออกเข้าออกจนกว่ามันจะชำนาญเราจะรู้เราสามารถใช้สมาธินี้เป็นเครื่องดับความทุกข์ร้อนของใจได้ทุกครั้งที่เราออกจากสมาธิมาพอใจเรามาร้อนกับเรื่องนั้นร้อนกับเรื่องนี้ร้อนกับคนนั้นร้อนกับคนนี้แล้วเราไม่สามารถดับมันได้ด้วยด้วยสติเราก็เปลีตัวกลับเข้าไปนั่งสมาธิแทน น, นี่เป็นการฝึกเบื้องต้นฝึกเพื่อให้ใจเรามีสมาธิมีที่หลบภัยมีที่ทำใจให้เย็นทำใจให้สบายให้ใจมีความสุขแต่มันก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ถาวรพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็จะจางหายไป ถ้าเราอยากจะให้ความสุขที่ได้จากสมาธิคงอยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติขั้นที่2ที่เรียกว่าขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาวิปัสสนาก็คือการเรียนรู้สาเหตุว่าอะไรที่มาทําให้ใจเราทุกข์ร้อนเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าในอริยสัจสีว่าความทุกข์ร้อนของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากนี่เอง อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาใจที่สงบนิ่งก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วพอได้แล้วพอพออยากแล้วไม่ได้ใจก็จะวุ่นวายใจก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจหรือบางทีเกิดความโกรธขึ้นมาหรือเกิดความเสียใจขึ้นมามนะวิธีที่จะทําให้ใจเราไม่ร้อนไม่ไม่วุ่นวายเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี้เราต้องระงรับมันอย่าไปทําตามความอยาก เราทาตามความอยากความอยากจะไม่มีวันหมดทำความทำตามความอยากอยากได้อะไรแล้วพอได้แล้วก็อยากจะได้ของใหม่ต่อ <c oughs> ตั้งแต่เราเกิดมานี่เราทําตามความอยากกันมาตลอดเวลาความอยากมันไม่เคยหมดไปจากใจของเราเลย <c oughs> ถ้าอยากจะให้ความอยากหมดไปจากใจเวลาเกิดความอยากนี่เราต้องฝืนมันเราอยากไปทําตามความอยากและวิธีที่จะทําให้เรา ไม่ทำตามความอยากได้ก็คือให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นสุขเพียงอย่างเดียวมันอาจจะให้ความสุขเราในเบื้องต้นแต่มันอาจจะพลิกได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเช่นเราอยากจะมีแฟนพอเราได้แฟนมาเราก็มีความสุขใจแต่อยู่กับแฟนไปสักพักหนึ่งแฟนอาจจะตายไปก็ได้เ ก, ดเกิดอุบัติเหตุตายไปพอตายไปความสุขที่ได้จากการมีแฟนก็หมดไป ความทุกข์ที่เกิดจากการจะต้องอยู่คนเดียวก็ก็กลับเข้ามาแทนที่ให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนี่มันไม่เที่ยงมันพลิกได้จากสุขมันจะทําให้เราทุกข์ได้ก็ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องให้ความทุกข์กับเราอถ้าแฟนเราไม่ตายแต่เขาเปลี่ยนไปเขาแอบไปมีคนใหม่เี่ยพอเรารู้เข้าเราก็ทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีเสียใจขึ้นมาทันที ให้เรามองอย่างนี้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขสุขเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปพอมันเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะได้มันเป็นทุกข์นีเราก็จะไม่อยากได้อะไรทุกครั้งที่เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเอาแล้วเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวต้องเสียใจเอามาทําไม อยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบไม่ไม่มีอะไรดีกว่าสบายใจกว่าไม่ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาพอเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะระงับความอยากได้พอความอยากถูกระงับไปความหงุดหงิดความวุ่นวายใจก็จะหายไปใจก็จะสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธินี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุขความสงบตลอดเวลาด้วยการกำจัด ปัญหาความอยากที่เวลามันโผล่ขึ้นมามันจะมาทำลายความสงบที่เราได้จากการทำใจให้สงบให้นิ่งเราก็ต้องหยุดความอยากนี้ด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่เราอยากได้พอเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มันจะเราได้มานี่มันจะทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับสติอยู่กับพุทโธไปทาใจใเฉยๆเดี๋ยวความอยากมันก็หมดกาลังไป ต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะไม่มารบ ก, กวนใจมันจะไม่มาชวนเราไปเที่ยวที่นูน่นเที่ยวที่นี่ไปซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่ไปอยากได้สิ่งนูน่นอยากได้สิ่งนี้เพราะเราจะรู้ว่าพอมันอยากปุ๊บนี่มันจะมาทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่ต้องการความวุ่นวายใจถ้าเราต้องการให้ใจเรานิ่งสงบเหมือนตอนที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ต้องอย่าไปทาตามความอยากท่นั้นเองพอมันอยากเราบอกไม่ทาพอเราไม่ทามันก็ เดี๋ยวมันก็หมดแรงมันก็จะหายไปแล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่แยปราศจากความอยากเมื่อใจไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะเยน็นใจก็จะสบายใจก็จะสุขใจก็จะสงบไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเมื่อไม่มีความอยากก็มไม่ต้องมีร่างกายสาเหตุที่เราต้องมามีร่างกายกันเพราะเรายังมีความอยากอยากได้ความสุขอยากโลกธรรมทั้ง ทั้งสี่อยากได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆอยากได้ความสุขจากการไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่จากการไปดูไปฟังอะไรต่างๆพอความอยากเหล่านี้มันถูกตัดออกไปจากใจจนหมดสิ้นแล้วใจก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะพาให้มาเกิดอีกต่อไปเมื่อใจไม่มาเกิดใจก็ไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาแก่กับร่างกายเมืม่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายตามมา สุขก็จะไม่มีต่อไปนี่แหละเคอใจของพระพุทธเจ้านะใจของพาอาระอรันตสาวกท่านทำบุญต่างๆมาจนครบบริบูรณ์จนทำใจให้ของท่านนี้สงบตลอดเวลามีบร ม, มีสุขเป็นใจที่มีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเพราะสิ่งที่มาทำให้ความสุขของใจเสือ่อมมันถูกทำลายไปหมดก็คือกิเลสตัณหาต่างๆนั่นเอง นี่แหละคือการทำบุญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้ชาวพุทธเรามากระทำกันและทุกคนนี้สามารถทำได้กันหมดทุกคนถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและมีความเข้าใจนมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคราวาส <c oughs> หรือเป็นนักบวชถึงจะทำได้เป็นคราวาสก็ทำได้เป็นนักบวชก็ทำได้เป็นหญิงก็ทาได้เป็นชายก็ทาได้ เป็นเด็กก็ทำได้เป็นผู้ใหญ่ก็ทำได้ถ้าเข้าใจวิธีการกระทำเหล่านี้วิธีสร้างบุญต่างๆเช่นทาทานอุทิศบุญอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนรักษาศีลภาวนาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็สำคัญเพราะไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้วิธีการทาบุญต่างๆนั่นเอง เวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีทาบุญต่างๆว่าต้องทำอะไรบ้างาเมื่อรู้แล้วเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติหัวใจของเราก็จะสะอาดขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นขาดเก่าความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความโลภความอยากต่างๆก็จะหายหมดไปจากใจ นี่แหละคือเรื่องของการสร้างความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดต่างกับความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปความสุขต่างๆที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้ก็จะหายไปหมดนี่แหละคือเรื่องราวของความสุขที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแต่วเวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาิวาหาปูราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอ oh ุตกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังค um ิปเมวะสมมิจัตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสรรพโลกวินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาทนศีริสานิจจังวุธาปะจายโนจตารธรรมาวัฏฐานติ No ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะมีการเคลื่อนไหวมีการกทำอะไรต่างๆ งั้นถ้าใคาอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุฏจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติ490ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์310 YouTube ด V c h ช n n e l 91พิทยุออนไลน์11 c l ับ House 13นาคุฏ189รวมทั้งหมด 1,074 ท่านค่ะ ก็มีคำถามก็เชิญถามได้จากผู้รับฟังนะกฎค่ะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อคุณพ่อชื่อนราริตอดีตลูกน้อมบิสเตอร์ไมเออร์ค่ะอายุครบเก้าสิบปีขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาให้โอวาสแก่ลูกหลานและขอพรให้คุณพ่อได้เจริญในธรรมสืบไปค่ะก็ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆเป็นมิ่งขวัญของลูกหลาน เพื่อทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปคำถามจากคุณใบ ย, ยกค่ะนั่งสมาธิไม่สนใจเรื่องของร่างกายไม่ว่ามือที่รวมมันจะกางออกหรือยกขึ้นหรืออะไรแต่ลูกก็ให้รู้แค่ แต่ลูกให้แค่รู้อยู่กับลมจนรวมเป็นแค่ความว่างว่างแล้วให้ลูกรู้อยู่กับความว่างต่อจนกว่ามันจะออกจากสมาธิเองหรือลูกควรรู้ควรรู้ดูอยู่กับห้องที่ว่างต่อเจ้าคะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เพราะเป็นการฝึกเป็นการสร้างความสงบสร้างความสงบให้กับใจเพราะออกมาแล้วมันจะวุ่นวาย พอออกมาแล้วเจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาถ้าไม่อยากจะวุ่นวายก็อยู่ในสมาธิไป็นอย่งามคําถามสักดิ์คุณวรัชยาค่ะเราปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยสรรพชีวิตให้พ้นทุกนี่คือเป้าหมายอันประเสริฐเราไหมคะเป้าหมายแรกก็เพราะให้เราพ้นทุกก่อนเมื่อเราพ้นทุกแล้วเราก็ไปสอนคนอื่นให้เขาพ้นทุกต่อไปได้ถ้าเรายังไม่พ้นทุกเราก็จะไปสอนคนอื่นไม่ได้ คำถามจากคุณมลิกาค่ะนั่งสมาธิสังเกตลมตรงปลายจมูกไม่ค่อยได้เพราะเหมือนไม่รู้สึกถึงลมเลยสามารถเปลี่ยนเป็นตามลมเข้าออกที่กระบังลมได้ไหมคะให้รู้อยู่ที่เดียวอย่าไปตามเข้าตามออกให้อยู่ตรงจุดไหนก็ได้แต่ให้รู้อยู่ที่จุดเดียวเดีย๋ยวิ่งเข้าออกตามลมเพราะใจมันยังจะต้องเคลื่อนไหวอเราต้องการให้ใจนิ่งๆต้องต้องรู้อยู่ที่จุดเดียว คำถามจากคุณจรัญญาค่ะเราต้องควบคุมจิตให้ว่างๆตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ให้เผลอไปคิดอะไรเพราะเหตุที่คิดเพราะมีความอยากสาเหตุที่อยากเพราะหลงเข้าไปสาเหตุที่อยากเพราะหลงเข้าใจผิดยึด มั่นถือมั่นในร่างกายนี้ซึ่งทําให้ทุกคิดเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นหยุดคิดก็หยุดทุกยุมสังเกตว่าทุกครั้งที่คิดใจมันก็ร้อนรุ่มเมื่อร่างกายนี้ไม่มีสาระอะไรเราก็ไม่ต้องไปรักไปทะนุถนอมอะไรมากคอยเบรกใจไม่ให้คิดเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราตอนไหนเราจึงซ้อมรับมือตั้งแต่ตอนนี้ ถ้าเตมตัวช้าก็จะล่าช้าเสียโอกาสและอาจทำไม่ดีหรือไม่ทันยุมจึงฝึกใจไม่ให้คิดไม่ให้หลงเพราะหลงแล้วไม่เกิดประโยชน์ที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะก็ตอนต้องก็ฝึกไม่ให้คิดเพื่อให้ใจสงบเมื่อเรามีความสงบมีใจเรามีกำลังก็สอนให้คิดไปทางปัญญาได้ที่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวที่ร่างกายเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย คิดเตือนใจบ่อยๆคิดให้ปล่อยวางคิดได้แต่ต้องคิดเรื่องที่เป็นปัญญาแต่ต้องรอให้หยุดคิดให้เป็นก่อนถ้าหยุดคิดไม่เป็นเดี๋ยวเวลาปล่อยให้คิดเดี๋ยวมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วทำให้มันหยุดไม่ได้คุณจรัญญาถามต่ออีกว่าค่ะสุดท้ายเราต้องตัดจากทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะไม่ผูกพันใดๆเราต้องฝึกใจให้ได้ใช่ไหมคะมันจะรู้สึกโดดเดี่ยว มันจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากค่ะหลวงพ่อถ้าเราตัดได้ใจเราจะสงบใจเราจะเป็นสุขจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะใจเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีความอยากอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่พอเราไปคิดว่าเราต้องอยู่คนเดียวเราก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ถ้าใจเราไม่มีความคิดใจเราปล่อยวางได้ใจเราจะสงบมีความสุขเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกสบาย คำถามจากคุณณฤชาค่ะชากับสมาธิต่างกันอย่างไรครับคือคำว่ามสมาธิเป็นคํารวมคือความสงบตั้งมั่นของจิตส่วนชานี้เป็นระดับของความสงบเป็นแบ่งเป็นชั้นๆไปเป็นชา้นหนึ่งชันสองชั้นสามเนี่ยไปถึงชา้นแปดเป็นความสงบที่มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับเป็นสมาธิทั้งหมดชานขั้นที่หนึ่งก็เป็นสมาธิขั้นที่สองก็เป็นสมาธิ แต่มีความสงบมากน้อยต่างกันไปคำถามจากคุณคำถามจากยู u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะมีผู้พูดว่าถ้านั่งสมาธิแล้วไม่เห็นเลขหวยแปลว่าไม่แน่จริงถ้าแน่จริงต้องเห็นเลขหวยขอท่านอาจารย์เมตตาให้ข้อทรในจุดนี้ด้วยครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร ถ, å, ถ้าเราต้องการถูกหวยมันก็ต้องเห็นเลขมันถึงนั้นแน่แต่ถ้าเราต้องการพ้นทุกเราก็ไม่ต้องเห็นอะไรพอเห็นแล้วมันก็เกิดความโลภขึ้นมาเข้าไปแทงหวยแล้วถ้าพลาดก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแทงเราไม่ถูกก็ทุกข์ขึ้นมาอีกถ้าถูกก็เกิดความโลภอยากจะได้ก็ต้องไปนั่งให้เห็นอีกแต่ถ้านั่งไม่เห็นก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนั่นมันเป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัว เราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการค้นทุกข์เราไม่ต้องเห็นอะไรเห็นความว่างดีที่สุดความว่างนี้ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะเพลงและดนตรีเป็นเป็นกิเลสตัวไหนคะพระกับแม่ชีจึงห้ามฟังสาธุเจ้าค่ะเป็นการมาฉันท์ความยินดีในลูกเสียงกิตเในในเสียงของดนตรีเวลาได้ยินแล้วก็ติด เวลาไม่ได้ได้ยินก็รู้สึกหนาวขึ้นมะการเป็นความทุกข์ขึ้นแต่ถ้าเราไม่ติดเสียงดนตรีเวลาไม่ได้ยินเสียงดนตรีเราก็จะไม่รู้ทุกไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึ ก, สกหนาวอะไรให้หาความสุขจากเสียงของความสงบดีกว่าความสงบนี่เราสามารถผลิตให้มันมีอยู่นในใจเราได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปอาศัยอะไรทั้งหมดแต่ถ้าเราไปอาศัยเสียงเดี๋ยวต้องต้องมีเสียงคนนั้นเสียงคนนี้มาให้เราฟัง ถ้าเกิดไม่มีเสียงคนนั้นเสียงคนนี้ขึ้นมาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาคำถามจากทองยู u ูบดอกตอร์วค่ะขอเรียนถามว่าในระยะหลายปีมีแสงสว่างเกิดขึ้นแสงนั้นจ้ามากเหมือนเปิดไฟดวงกลมบางครั้งอยู่ในที่มืดก็เห็นแสงนั้นสามารถนำให้เห็นทางได้จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครับ ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปยึดไปติดมันมันมันมีก็มีมันไม่มีก็ไม่มีไปพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปมันไม่ได้มันไม่แน่อนอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีถ้าไปยึดไปอาศัยมันเดี๋ยวเวลามันไม่มีก็จะทาให้เราทุกข์ได้ยังไม่มีคำถามค่ะไมม่ีนะ ไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏจากการปฏิบัติของเรา <G ül> ก็อย่าไปยึดเอย่าไปติดมันร่วงเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมีอย่างเดียวที่เรายึดติดได้ก็คือความสงบความนิ่งอันนี้เป็นของถาวรแต่ของอย่าอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกเสียงกลิ่ลรสเลือนอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในใจเรานี้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าเราไปยึดไปติดถ้าไปชอบมันเวลามันดับเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ชอบมันเราก็จะทุกข์ใจเวลาที่มันโผล่ขึ้นมา ให้เราอย่าไปสนใจทําใจเฉยๆกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิฝึก ส, สมาธิก็คือความว่างความว่างที่จะทําให้ใจเย็นใจสงบใจเป็นสุขที่แท้จริงคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ พญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าคะเราก็ไม่เคยเจออลไรไม่สามารถตอบได้ต้องของู่มีจริงไป เ, เจองูอยู่เรื่อยงูเหลือมงูอะไรนี่มีไม่ทราบว่าเขาจะเอาพวกงูนี่มาเรียกว่าเป็นพญานาคหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยอันนี้ก็แต่มีใครก็เห็นมไหมพญานาค ก, นะก็มีอยู่ตามวัดเนะี่ยตามบันไดามีมพญานาคเนะี้ยที่บันไดขึ้นมนโดดก็มีพญานาคให้ ถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะการตั้งสติพร้อมกับการออกกําลังกายแบบนี้ถือเป็นการเจริญสติไหมครับเพราะมีผลคือสุขภาพที่ดีรักษาโรคที่เรามีขอเมตตาพระอาจารย์ครับถ้าออกกําลังกายแล้วควบคุมใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ก็ดีก็เป็นการฝึกสติไปพร้อมๆกับการออกกําลังกายได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ คำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะคนตั้งครรภ์อยากปฏิบัติให้ลูกในท้องได้รับบุญไปด้วยทำได้ไหมคะควรปฏิบัติอย่างไรคะไม่ได้หรอกเพราตอนนั้นลูกก็ยังอยู่ในแบบเหมือนคนนอนหลับอยู่จะให้เขาได้บุญก็ต้องเวลาเขาคลอดออกมาแล้วเราก็พาเขาไปทำบุญสอน<ม>ให้เขาทำบุญแล้วต่อไปพอเขาโตขึ้นเขาก็าจะได้ไปทำบุญของเขาเองได้ ยังไม่มีคำถามค่ะการจะทำบุญนี่ต้องต้องเกิดจากความคิดของคนเองของตอนเอ ง, อ ง, อเองว่าอยากจะทำบุญแล้วก็ต้องทำนี้เอาของที่เป็นของเราไปทำถึงจะได้บุญถึงแม้ว่าตอนเป็นเด็กพ่อแม่สอนให้ใส่บาตรแต่ไม่ใช่เป็นของเด็กเด็กก็ยังไม่ได้บุญจากการทำใส่บาตรเด็กจะได้บุญจากการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีใส่บาตรเรียนรู้วิธีทําบุญ mm. เผื่อต่อไปเวลาที่เขาโตขึ้นแล้วเขาอยากจะทําบุญเขาจะได้ทําเป็นไม่ต้องไปถามใคร mm. พ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนอบรมลูกให้ไปทําอะไรในสิ่งที่ดีที่งามเ mm. พราะถ้าไม่สอนบางทีลูกก็ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี mm. อย่างที่คําโบราณเขาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน mm. เวลาเด็กไปทําอะไรเสียหายก็จะโยนไปที่พ่อแม่ทันทีว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูก นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักผิดถูกดีชั่อสอนเขาพาเ็าทำด้วยพาก็ไปวัดไปไปทำบุญใส่บาตรไปนั่งฟังเทศฟังธรรมไปรักษาศีลอะไรทำนองนี้ถ้าทำบ่อยๆมันก็จะติดเป็นนิสัยของเขาไปเอไปเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเขาก็ยังจะทำต่อได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจะขึ้นไปอยู่บนเขาสองคืนค่ะ กราบขอคำแนะนำนอกจากทำใจให้ว่างและสงบขณะที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะมีเวลาทดสอบกราบขอคำแนะนำนอกจากทำใจให้ว่างและสงบขณะที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนค่ะเพราะมีเวลาทดสอบตัวเองอยู่ข้างบนได้ไม่นานค่ะแล้วทดสอบความกลัวดูว่าเรายังกลัวกับความมืดหรือเปล่ากลัวกับแสงสาราสัตว์หรือเปล่า ยามค่ํ า, าคืนก็เราออกมานั่งที่ข้างนอกกุฏิดูเราออกมาเดินจงกรมดูเคยจะเดินไปแล้วจ้าเอกับอะไรขึ้นมาจะได้รู้ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวสติเราดีหรือไม่ดีอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่คนปฏิบัติชาอบไปอยู่ที่น่ากลัวกันเพราะว่าจะได้ทดสอบว่าเรายังกลัวมันหรือเปล่าเราปรงได้หรือเปล่าเรายอมตายได้หรือเปล่ายอมเจ็บได้หรือเปล่า เรายอมตายได้ยอมเจ็บได้เราจะอยู่อย่างสบายจะไม่เครียดกับความเจ็บความตายแต่ถ้าเรายังกลัวอยู่นี่เราจะเครียดกับความเจ็บความตายทั้งๆนี้มันยังไม่เกิดเพียงแต่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายก็ก็เครียดขึ้นมาแล้วเห็นถ้าต้องการกำกำจัดความเครียดความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องไปหาข้อสอบไปที่ไปทําข้อสอบกันบางคนกลัวผีเขาก็ให้ไปนั่งกำลงศพเนี มีสำนักหือแห่งหนึ่งที่มีญาติโยมมาเข้าไปนั่งปฏิบัติกันมีศพอยู่ในโรงแล้วก็ตั้งอยู่บนแค่มนป่าจะให้ไปนั่งสองต่อสองแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรให้นั่งให้ฝึกสติถ้ากลัวต้องให้พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรถ้ายงยิ่งคิดเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้การเปความกลัวหรือปลงว่าอย่างมากก็แค่ตายถ้า สมมันอยู่ในลมมันจะลุกขึ้นมาบีบคอเราให้มันรู้ไปยอมตายอย่างนี้มันก็จะหายกลัวต่อไปอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อสอบแต่ต้องรอให้มีสติมากพอก่อนมีกําลังเข้าสมาธิหยุดหยุดความความกลัว ด, ด้วยสติได้ก่อนแลถึงจะต้องใช้ปัญญาหยุดความกลัว ด, ด้วยการตรงยอมยอมตายยอมเจ็บแต่ถ้ายังไม่มีสติพอนี่เกิดความกลัวขึ้นมานี้มันจะห้ามใจไม่ได้ ันนจะท่่งงอยูตรคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราปฏิเสธการใช้นี้ให้พี่ชายซึ่งอยู่คนละครอบครัวที่เขามาขอที่เขามาร้องขอให้ช่วยเพราะเราก็ยังมีนี้สินอยู่แบบนี้จะถือว่าเราไม่มีความเมตตาไหมครับก็ อ, อาจจะไม่มีความเมตตาแต่มันก็เรื่องสุดวิสัยถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเขาจะจมน้ําตายแล้วเราไหว้น้าไม่เป็นเราจะไปกระโดดว่า้ลงไปช่วยเขามันก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวก็ตายด้วยกันทั้งคู่เขามีหนี้สินเราก็มีหนี้สิ น, แ ล, น, สนแล้วเราไปช่วยจ่ายหนี้สินของเขาแล้วหนี้สินของเราใครจะมาจ่ายให้เราัลก็เรื่องของการเมตตาตอนนี้ก็ต้องแยกไปเราเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของการรับภาร ะ, ะผิดชอบหน้าที่ของตนต้องต้องทําไปก่อนการเมตตานี้ก็ต้องอยู่เวลาที่เราอยู่ในฐานะที่สามารถทําได้เราก็ทํา เวลาที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาคือตัวใครตัวมันกรรมใครกรรมมันไปคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะคุณแม่เสียไปนานแล้วทําบุญอย่างไรให้ท่านรับส่วนแห่งบุญมากที่สุดเจ้าค่ะก็ทําบุญอุทิศอย่างที่เราทํากันนี่นะ่ะใส่บาตรถวายทางอะไรก็ตามบุญมากบุญน้อยอยู่ที่เราทํามากทําน้อย ทำร้อยบาทมันก็น้อยกว่าทำสองร้อยบาททำสองร้อยก็น้อยกว่าทำห้าร้อยบาทมันอยู่ตรงที่ปริมาณของการทำบุญของเราหมดหรอยังยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนนะก็ะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ